จนแม้แต่พระพรมก็ตอบไม่ได้แล้วเรื่องพระพุทธเจ้าทรมานพระกะพรมที่กล่าวมาแล้วข้างตน้นส่วนในด้านจิตใจเทวดาก็เหมือนกับมนุษย์คือส่วนใหญ่เป็นปุถุชนยังมีกิเลสมีเชื่อความทุกข์มากบ้างน้อยบ้างอย่างหมุนเวียนขึ้นขึ้นลงๆอยู่ในสังสารวัฏดังเช่นพระพรมแม้จะมีคุณธรรมสูง แต่ก็ยังประมาทเมาว่าตอนอยู่เที่ยงแท้นิรันดรพระยินเมาประมาทในทิพยะสมบัติคนอื่นหวังพึ่งพระยินแต่พระยินเองยังไม่หมดราคะโทสะโมหะยังมีความหวาดกลัวสะดุ้งวันไหวการอ้อนวอนหวังพึ่งเทวดานอกจากขัดกับความเพียรพยายามโดยหวังผลสำเร็จจากการกระทา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 เช่นล่อด้วยความสำเร็จสมปรารถนาเล็กเน้อยน้อยเพื่อให้คนหวังผลมากยิ่งขึ้นและบนบานเส้นสวงมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่แกล้งทำเหตุให้คนต้องมาติดต่อขอผลถลำมตนเข้าสู่วงการอีกประการหนึ่งเมื่อเทวดาประเภทหวังลาบมาวุ่นวายกันอยู่มากเทวดาดีที่จะช่วยเหลือคนดี โดยไม่หวังผลประโยชน์ก็จะพากันเบื่อหน่ายหลบลีปลีกตัวออกไปคนที่ทำดีก็ไม่มีใครจะคอยช่วยเหลือให้กำลังปายเทวดาไฝลาบก็จะช่วยต่อเมื่อได้รับสิ่งบนหรืออย่างน้อยคำขอร้องอ้อนวอนมนุษย์ก็เลยรู้สึกกันมากขึ้นเหมือนว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วจึงจะได้ดีก่อให้เกิดความสับสนระสําระสายในสังคมมนุษย์มากยิ่งขึ้น อีกประการหนึ่งเมื่อเทวดาดีงามปลีกตัวไปไม่เกี่ยวข้องซึ่งตามปกติธรรมเนียมของเทวดาก็ไม่ต้องการมาเกี่ยวข้องวุ่นวายหรือแทรกแซงในกิจการของมนุษย์อยู่แล้วดังในที่ค่านิกายมหาวัฒน์ระบุไว้ว่าโลกมนุษย์ไม่สะอาดมีกลิ่นเป็นที่รังเกียจแก่เทวดาเมื่อเทวดาดีงามปลีกตัวไป ไม่เกี่ยวข้องก็ยิ่งเป็นโอกาสสำหรับเทวดาร้ายไฟลาบจะสแสวงหาผลประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นเช่นมือมนุษย์อ้อนวอนเรียกร้องเจาะจงต่อเทพบางท่านที่เขานับถือเทพไฟลาบพวกนี้ก็จะลงมาสวมรอยรับสม้างหลอกมนุษย์โดยมนุษย์ไม่อาจทราบเพราะเป็นเรื่องเหนือวิสัยของตนแล้วเทวดาสวมรอยก็ทาเรื่องให้พวกมนุษย์หมกมุ่นมัวเมายิ่งขึ้น